ระหว่างที่ครบคะ่ะเรามาถึงช่วงเวลาที่จะได้พบกับพระภัยบุญอภิปุโนนำเอาพุทธวจนะมาตอบคำถามต่างๆช่วงเวลาซึ่งเราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะเราไปพบกับท่านกันเลยคะ่ะน้มสักการะท่านคะ่ะเจริญพรค่ะวันนี้ฟังเสียงท่านแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าท่านมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะก็ก็พอไปได้ บางทีฝนตกมันไม่ค่อยตรงตามฤดูกาลนะนะถ้าเราเตรียมตัวไม่พอดีเนะี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้<อ>มันต้อ ง, องต้องเหตุเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะว่าเราต้องไม่ประมาทเลยเราคิดว่านอนธรรมดาไม่ห่มผ้าหม่มอย่างเงี้ยพอฝนตกท่านนั่นแหะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะคะนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่สุขภาพอย่างนี้ท่านก็ยังอุตสาเมตตาให้รายการของเรานั้นมีสม่ําเสมอท่านฟังคะอ่าสําหรับ เรื่องที่ดิฉันอยากจะขอหาหรือท่านไปบูลออกอากาศเลยเนี่ยนะคะก็เป็นในส่วนของปีพุทธชยันตีเนี่ยคะ่ะที่ว่าเรามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่สองพันหกร้อยนับตั้งนับตั้งแต่ที่ท่านตรัสรู้ก็คือเมื่อท่านมีประชนมายุได้ 35, สามสิบห้าพันปาใช่ไหมคะใช่แล้วพอท่านปรินิพานแล้ว เราถึงเริ่มนับพศออปีนี้ 2,555 ท่านตรัสรู้ตั้งแต่อายุ35ปรินิพานเมื่ออายุ80ก็เท่ากับว่า45ปีมาบวกกับ 2,555 ปีจึงเป็นการเกิดมีของพระพุทธองค์เป็นปีที่ 2,600 อ่าถูกต้องถูกต้องต้องมาทบทวนสูตรคณิตศาสตร์เผื่อบางท่านอาจจะงงๆว่าเอ๊ะอะไรกัน เราเคยจัดช่วงเวลาพิเศษในรายการสัมสน์สนทนาในตอนเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ตรัสเล่าพุทธประวัติของพระองค์เองก็จะเริ่มตั้งแต่ประสูติคือหมายถึงว่าเกิดเป็นศิทธะกุมารค่ะทีนี้เหมือนกับว่าตอนนี้การเกิดมีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนับเมื่อวันวิสาขะของปีที่พระชน สาสิบ้าใช่ไหมคะจตรัสรู้ใต้ขวงไม้โพใช่ค่ะดิฉันอยากจะให้ช่วงเวลานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันที่เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าอของเราเนี่ยได้พูดอะไรไว้บ้างหลังจากตรัสรู้ดีไหมคะ อ, อ๋อได้เลยก็จะต้องถ้าจะไล่ไปเป็นลำดับลดับเนี่ยนะค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่นั่งอยู่ใต้ขวางไม้โพค่ะนะแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ แล้วก็ตอนนั้นพระอาทิกกําลังจะขึ้นอยู่พอดีก็มีความรู้สึกว่าวมั่นใจละว่าได้สิ้นตัณหาแล้วเนี่ยพอเกิดความมั่นใจตรงนี้ก็ได้ตรัสคํานี้ออกมาว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างลองนึกถึงสภาพตอนนั้นนะว่าพระธาที่กําลังจะขึ้นพอดีกํา <trilogy. S 2> ลังโผล่ขึ้นมากําลังจะพ้นขอบฟ้าพอดีเนี่ยพระเจ้าได้ตรัสคํานี้บอกว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างคือพระธาทิตย์กลังขึ้นพอดีนะลิบ ล, ลีลิลีลมาละ เมื่อเรายังไม่คน้คนไม่พบแสงสว่างมัวส่อหาในช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปทุกชาติแน่หนช่างผู้ปลูกเรือนเอยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงธรรมชาติที่จะ ย, ยุ่ยแย่ยัวเยา้าไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอย่างอันนี้เป็นคาถานะถ้าจะพูดให้ถูกก็เป็นคํากรนที่ถ้าเราฟังในภาษาบาลีแล้วมันก็จะค่อนข้างจะสอดคล้องกันอยู่เป็นมีร้อยแกลร้อยกรองใช่ไหม อะไรแก้อะไรครองเนี่ยอยู่ในในตัวของมันเองค่ะทีนี้ตรงคำพูดตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุปมาอุปไม้ค่ะที่พระเชษาพูดถึงแสงสว่างนี่ก็คือว่าจิตที่เป็นพุทธะที่เรามาฉลองในปี2 0 0 0นเนี่ยน ะ, ค, ะคือจิตแบบนี้จิตที่จะมาหาความรู้อย่างเงี้ยคือแสงสว่างแล้วก็ในช่างที่ปลูกเรือนนะจะเห็นได้ว่าในพุทธวิชนาบทนี้จะมีเขาเรียกว่า เป็น personalization คือการเปรียบเทียบเป็นบุคคลอยู่สองสาอย่างใช่ในช่างปลูกเรือนด้วยตัวเรือนด้วยยอดเรือนด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการปลูกเนี่ยพวกเนี้ยมันคืออะไรค่ะเราก็ยังพูดถึงพบชาติที่การเกิดแล้วเกิดอีกนั่นก็คือเอกชาติคือสมมติว่าถ้ากายเราแตกไปใช่ไหมจิตเรายังอยู่เนี่ยจิตเราก็จะไปสร้างกายใหม่ในช่างสร้างเรือนเนี่ยปลูกเรือนเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างให้เรา นะในที่นี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบกับรู้สึกจะเป็นกิเลสนะกิเลสตัณหาที่มาเป็นนายช่างกับใช้วัตถุดิบเนี่ยในการที่จะสร้างเรือนให้เราต่อไปได้ถ้าเรามาเปรียบเทียบอาการของจิตนะค่ะคุณยมติว์ถ้าเรานั่ ง, งสมาธิเนี่ยตอนที่เราจิตนิ่งเป็นสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยนั่นคือลักษณะการที่จิตเนี่ยเคลื่อนไปเกิดในอีกอรูปหนึ่ง การที่จิตเคลื่อนไปตรงนี้เราก็พ่ออาศัยอํานาจของตันหานั่นเองแล้วอยอดเรือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงตรงนี้ก็คือพวกอวิชาอยอดเรือนเนี่ยอย่างหลังคาของบ้านเราใช่ไหมถ้าไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นยอดเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะรับน้ําเนี่ยถ้ามันทําไม่ดีมันจะมีรูรั่วเนี่ยมันจะรั่วไปหมดทั้งบ้านเลยมันะจะทําให้ไอ้ไม้โครงผูกหลังคาผูพื้นผูกเสาผูกไปเรื่อย เป็นปีๆมันก็พังหมดคลื่นหมดค่ะเช่นเดียวกันถ้าบอว่าในลักษณะของยอดเรือนเนี่ยถ้าผอกว่าเราเรามุงอย่างดีนะก็จะไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ายอดเรือนเนี่ยเราเอาออกแล้วเนี่ยบ้านเรือนก็ผุหมดเปืยพังหมดแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบตรงนี้ว่าใครจะมาสร้างเรือนสร้างอะไรต่อไปพบชาติเกิดนี้ชั้นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉันเอายอดเรือนออกแล้วนั่นก็คื อ, อวิชานั่นเอง มันจะไม่มาสามารถบังให้เราไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้อีกต่อไปค่ะแล้วก็จิตของพระองค์ก็หมดซึ่งความอยากคือตัณหาหมดเกลี้ยงเลยก็เลยได้ตรัสพุทธภาสิตอันนี้ออกมาได้ต้นไม้โพก็ท่าบอก ว, ว่าที่ท่านเผยบูร น, นาเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยตรัสเป็นพุทธวจนะจากพระโอษของพระพุทธองค์เองเอาไว้ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ย ได้ตรัสอะไรออกมาบ้างใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นคาแรกเนะี่ยที่ได้ตรัสออกมาค่ะเนี่ยค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเห็นไหมคะว่าเพราะมีความสำคัญอย่างนี้แล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะดิฉันเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำตรัสนี้เท่าไหร่ดูเหมือนจะผ่านหูสักครั้งเดียวเองอแล้วก็คิดว่าการได้ฟังอีกเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายมากในโอกาสที่เรากาลังจะ ระลึกถึงพระพุทธองค์ที่ปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้ให้พวกเราได้อาศัยคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นที่พึ่งแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่หลังจากที่<ส>พระพุทธเจ้าไดอ้อยู่ที่นั่นแล้นะค่ะประสรุแล้วแล้วก็ได้ทำํำคำนิยมนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างอยู่ที่นั่ น, นก็ประมาณสักประมาณ 2- อสาสัปดาห์สองเดือน อยู่ที่ใต้ควงไม้โพหรือว่าสลับไปสลับมาในตำบลขยาเนี่ยประมาณ2เดือนคุณยมติวในที่นั้นก็ย้ายไปยในั่งใต้ต้ตนนี้บ้างย้ายไปนั่งใต้ต้นนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในช่วงนั้นก็มีความคิดความระลึกถึงว่าโอ้ยหมู่สัตว์นี่มันอาจจะสอนยากต่างๆอะไรต่างๆแลนะก็เป็นเป็นคำที่พระองค<ม>์ได้คิดขึ้นแล้วก็มีบทสนทนาบทหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือการสนทนากับ เท้าหมาพรมนะที่ชื่อว่าสามบดีพรมนะพอพระองค์ได้คิดว่าโอ้โหสัตว์ทั้งปวงนี่นะจะมารู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยมันก็ยากแสนยากจริงๆที น, นี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยขอบอกักนิดนึงก่อนว่าคำว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะในความเข้าใจของอาตมาเนี่ยก็จะพูดถึงก็คือเหมือนกับตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งที่ ที่มีเกิดขึ้นอย่างสมมุติว่าเร า, ามอาีอย่างพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนี้นะก็เป็นตำแหน่งณ <คะ S 1> นะที่ว่าประเทศหนึ่งก็มีคนเดียวใช่ไหมทีนี้ความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งเหมือนกันอย่างที่เรากําลังจะมาฉลองครบรอบสองพันหร้อยปีของการมีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือหมอยายถึงว่าของการที่สมณโคดมเนี่ยขึ้นครองตําแหน่งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งตําแหน่งนี้ต้องมีความสามารถหลายอย่างนะ ต้องเป็นสัพพัญยูต้องเป็นผู้ที่สอนบุคคลอื่นได้ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษทุกอย่างเลยล่ะวางกันเถอะค่ ะ, ะประเด็นหนึ่งก่อนที่จะไปถึงจุดที่บทสนทนากับสามบดีพรมเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยใต้ควงไมโพแล้วเนี่ยก็มีแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าแสงสว่างตรงนี้มีแสงสว่างที่เรียกว่า สามารถส่งได้ลงไปถึงโลกันติรกานรกคือนรกที่มืดไปหมดไม่มีแสงสว่างอยู่คือในที่นั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าแสงพระอาทิตย์อย่างที่เราส่องสว่างเห็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีถ้าเราเข้าไปในอาคารเนี่ยแสงพระอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงไม่ถึงตัวรังสีเข้านะแต่ก็ยังมีแสงสะท้อนะอะไรต่างส่งเข้ามาได้ใช่ไหมเอาเราเข้าไปในถ้ำในถ้ำที่ลึกๆเลยเนี่ย ก, ก็ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงแต่ยังไงมันก็ยังมี ความสว่างที่ทําให้สัตว์เซลล์เดียวหรือว่าสัตว์อะไรตัวนั้นอย่างสุนัขอย่างเงี้ยในตําแหน่งที่มันไม่มีแสงเนี่ยที่ที่เรามองไม่เห็นนสุนัขบางทีมันมองเห็นนะเพราะมันจะมีความสว่างอยู่ใช่ไหมคือถ้าวัดในหน่วยของความเป็นลักเนี่ย LUX เนี่ยนะที่เขาวัดแสงเนี่ยมันไม่ถึงศูนย์ศูนย์เนี่ยันไม่สูญลักแ ต, แต่ตาของมนุษย์เนี่ยมันไม่เห็นตั้งแต่ประมาณสิบยี่สิบแล้วทีนี้ในที่ที่แสงเข้าไปไม่ถึงจริงๆเลย นะไม่ใช่แค่ว่าในถ้ำในธรรมดาอะไรนี้มันแสงยังเข้าไปได้อยู่แนละแต่<ะ>มีสถานที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าแสงเข้าไปไม่ได้เลยนั่นคือนรกนรกที่อยู่ต่ําที่สุดเนี่ยที่ว่าโลกันติระกัดนรกซึ่งเป็นนรกที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงเลยแต่ว่าที่นั่นเนี่ยพอมีพระเจ้าปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยแสงสว่างก็ยังส่องไปถึงได้แแสงสว่างที่เกิดจากการที่พระองค์ปรากฏขึ้นนะนะคือ<ะ>ความเป็นสมมาสัมพุทธ h เกิดขึ้นเนี่ยละ่ะค่ะก็ เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่พิเศษถูกไหมคะใช่ใช่มันจะไม่ปรากฏกับบคุคคลธรรมดาทีนี้ในส่วนที่ท่านพูดถึงว่าคําว่าพระพุทธเจ้าในความเข้าใจของท่านว่าเป็นตำแหน่งตาแหน่งหนึ่งต้องมีคุณสมบัติแบบที่พระพุทธเจ้าทรงมีเนี่ยนะับตั้งแต่วันที่ตรัสรู้มาคือวิสาขเพ็ญเดือนหกเมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วนี้มาถึงวันนี้ ก็ยังเป็นตําแหน่งที่ทรงครองอยู่พระองค์เดียวใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะยังยังไม่มีพระพุทธเจ้าอื่นมาเกิดใช่เพราะว่าในสมัยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วจะวัดด้วยความที่กระบวนการของการตรัสรู้ ใ, ในหมายความว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยมันอาจจะแตกด่างไปก็จริงในอย่างสมมุติในตอนเนี้ยพระองค์พระพุทธเจ้าร่างกายไม่อยู่แล้วถูกไหมแต่ความเป็นสมัสมมาสัมพุทธะเนี่ยยังอยู่ในะยังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในคําสอน ถ้ยังมีคนจําคําสอนได้บอกต่อกันไปยังมีการลงอักษรยังมีการปฏิบัติมากแปดอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่หายไปไหนแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่มาตรัสรุปครั้งล่าสุดเนี่ยยังอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าคําสอนนี้หายไปหมดไปสิ้นไปอ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าหมดไปละก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มามีใครสักคนใดคนหนึ่งมารับตําแหน่งนี้ต่อค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเรายังเข้าถึงคําสอน ก็คือการที่เราได้อยู่กับองค์พระศาสดานั่นเองใช่จนกว่าคำสอนนี้จะหมดไปถูกต้องซึ่งเราไม่ควรจะเป็นคนที่เป็นคนสุดท้าย <c oughs> เป็นคนสุดท้ายมหมายความว่าอย่างไรนะคะท่านบริษ้าเคยพูดถึงบุรุษคนสุดท้ายในคำสอนของพระองค์คและก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามอริยมรสมีองค์แปอ <c oughs> ถ้าเธอปฏิบัติตามอริยมรสมีองค์แปนะเธอก็ยังสืบทอดความเป็น คำสอนนี้อยู่แต่ถ้าบุรุษคนสุดท้ายที่ปฏิบัติตามอริยมรสมีองค์แปดมีในสมัยใดสมัยนั้นแหละนั่นแหละคือสมัยที่มีบุรุษคนสุดท้ายของพระองค์อืมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราอยากจะนําสิ่งที่ได้จากการที่ได้ความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการบูชาไหมคะท่านคะถูกต้องบูชาบอกว่าการที่ เราเอาธรรมะมาน้อมเข้าสู่ใจเนี่ยนะเรียกว่าเป็นการบูชาที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นนิรามิตคือการบูชาเนี่ยมีอยู่สองระบบไงระบบที่เราต้องใช้สิ่งของเครื่องเส้นไม้เครื่องบูชาอย่างเราจุดทูปเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะทูปนี่ก็คือของหอมเป็นของที่บูชาได้ค่ะแต่วป็นีระบบแรกโดยการใช้สิ่งของระบบที่สองก็ด้วยการที่ไม่ต้องใช้สิ่งของหลการไม่ใช้สิ่งของที่ดีที่พระเจ้าพูดถึงก็คือการเอา ธรรมะมาปฏิบัติคือการบูชาด้วยการปฏิบัติค่ะเหมือนกับที่รายการของเราสัสนิสนทนนาพยายามทำอยู่โดยเฉพาะเข้มข้นมากขึ้นในห่วงเฉลิมฉลองสองพันหกร้อยปีพระพุทธเจ้าปีพุทธช ย, ยันตีด้วยการที่จะให้ท่านพิบูลนนะคะได้ช่วยเล่าถึงหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ท่านคะก่อนที่เราจะาจ่าท่านฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็บอกโอ้อยากปฏิบัติบูชาจังเลยแต่สรุปให้หน่อยได้ไหมว่าที่ท่านไปบูรพูดมาในวันนี้ยจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรเนี่ยค่ะเอที่ในพุทธวจนะบทบนี้ที่ว่าเมื่อเราได้ค้นพมแสงสว่างเนี่ยก็เป็นข้อที่ปฏิบัติอยู่ได้โดยตรง<ม>เห็นชัดเจนเลยว่าอา๋อเราต้องละตันหาละอวิชาน ะ, ะตันหากับอวิชัยเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ เพราเหตุของความทุกข์คือสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละเราเห็นแค่นี้เองคุณปฏิบัติบูชาได้เลยมีความอยากเมื่อไหร่ปล่อยมีความอยากเมื่อไหร่ปล่อยอ่ค่ะเท่านี้เหรอคะใช่ฟังดูแล้วเป็นการปฏิบัติบูชาที่น่าจะทํากันได้ทุกคนนะคะเนี่ยท่านผู้ฟังถูกต้องคือคือวิธีการปฏิบัติแก้ปัญหาของบูชาเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะแหวกแนวบางทีบางอาจจะไม่เชื่อว่ามันง่ายขนาดนี้เลยล่ะ จะลองลองฟังไปดูว่ามันแหวกเนีมันล้ําลึกขนาดไหนเราจะพบกันได้ในตอน ต, อนต่อไปอยู่ค่ะนะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้ทั้งความรู้และได้ทั้งธรรมที่เราจะนําไปปฏบิบัติบูชาและผลเนี่ยมันเกิดกับเราเองด้วยนะคะนั่นคือละความอยากละตัณหาไปเรื่อยๆวันนี้ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไตบูยรีฉันก็เห็นใจท่านมากเลยในข้าฟังเสียงดูเนี่ยทราบเลยว่าท่านคงพูดด้วยความไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมก็กราบ น้มักการขอบพระคุณและขอให้ท่านหายไวๆนะคะ น, น้มักการค่ะท่านฝั่งที่เคารพท่าความสม่ําเสมอที่ท่านพึงบูรณ์ไดม้มีมอบให้กับเรานั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามรับฟังกันได้สําหรับรายการสันนิษฐานาที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวซึ่งเดี๋ยวทัานก็จะถือโอกาสที่ทําไปพร้อมๆกับทุกสัด ส, ส่วนของครอบครัวข่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็น ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงผู้ฟังน่นะคะที่จะถวายพุทธบูชาด้วยการนำเอาพุทธวัจนะมาให้เป็นความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติค่ะวันนี้เราก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังรายการกันได้อีกค่ะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ